หมอมฉันไม่กล้าแข่งกับเจ้าพี่อาโศกทูลอย่างนอบน้อมเธนาสุสีมะขยันขยอบางทีเธออาจชนะเราด้วยก็ได้ยาเลยเจ้าพี่หมอมชั้นเหนื่อยแล้วอาโศกคงยืนกรานความคิดเดิมแต่สุสีมะคงขยันขยอยอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งเยอะหยันและท้าทายอยู่ในที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 จึงรีบเข้าไปเฝ้านางวิมังสาเทวีมารดาตนดึงชายสาหรีของพระมานดาเดินบ้างวิ่งบ้างมาริมสระว่ายน้ำพระนางเห็นอโศกบุตรตัวกำลังพริกคว่ำพริกหงายอยู่กับเจ้าชายสุสีมะทรงตกพระทัยยิ่งนักรีบเข้ากันออกจากกันเจ้าชายสุสีมะนั้นรู้สึกอยู่ว่าตนเองเป็นรองกำลังของอโศก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 หม่อมชั้นทำร้ายเจ้าพี่สุสีมากนแต่เรื่องที่เจ้าพี่สุสีมากร่าวคําล่วงเกินหม่อมชั้นพูดไปถึงเสด็จแม่ยังเหยียดยามทำไมจึงไม่ได้พิจารณากันอาโศกยาพอแล้วเสียงจากพระนางวิมังสาเทวีพระนางตรัส ด, ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่าประการใดเสด็จแม่อาโศกพูดต่อไป หมอมชั่นขอพูดให้หมดสิน้นเมื่อพูดเสร็จแล้วเสด็จพ่อจะได้นำหมอมชั่นไปประหารชีวิตก็จะยอมอโศกหยุดนิดนึงแล้วกล่าวต่อไปว่าถ้าเจ้าพี่สุสิมากราวเยียดยามหมอมชั้นโดยเฉพาะมิได้พลาดพิงถึงเสด็จแม่หมอมชั้นก็พอจะทนได้คิดซิว่าเขาเป็นพี่หมอมชั้นเป็นน้องแต่เมื่อกล่าวล่วงเกินถึงเสด็จแม่หมอมชั้นก็ทนไม่ได้